ไม่ยังมีความยินดีในการฆ่าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีวนเวียนอยู่ในวงจรของการผลัดกันฆ่าต่อเมื่อหมดความใ ย, ยดีในการฆ่าอย่างไร้เงื่อนไขจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้อโหสิปและพร้อมจะสละสิทธิ์ในการเป็นผู้อยู่ร่วมจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งเสียทีลองดูปฏิหารของการไม่คิดเบียดเบียนกันและกันเถอะครับคุณไม่ตบยุง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 เป็นแนวโน้มว่าจะต้องกระทบกระทั่งหรือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมากน้อยเพียงใดและที่ยืนนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือจิตของแต่ละคนที่เป็นผู้มีศีลหรือไร้ศีลนั่นเองจิตของผู้มีศีลย่อมสะอาดปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นแล้วจะรู้สึกเหมือนยือนอยู่ในเขตปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมจะเจริญสติได้อย่างมีกำลังและความมั่นใจส่วนจิตของผู้มีศีลด่างพร้อยหรือขาดทะลุย่อมเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นและย่อมรู้สึกเหมือนต้องวิ่งพล่านอยู่ในเขตอันตรายทั้งวันทั้งคืนจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความสงบให้จิตได้พอจะเจริญสติไวละ่ะ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 และกระทั่งทำลายอสมิมาณะเสียให้สิ้นซากได้โดยไม่ต้องหาอุบายวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเลยเพราะจิตย่อมฉลาดในการละได้เองหลังจากเห็นสิ่งที่เป็นโทษมากพออิ่มตัวมากพอแล้ว